ภาวนาฟังอย่างเดียวไม่ได้หรอกธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ต้องพึ่งตนเองเป็นธรรมะที่อยู่ใต้กฎแห่งกรรมใครทำก็ได้ไม่ทำไม่ไดนะ้เป็นเรื่องกฎของกรรมทั้งนั้นคนมีกรรมกรรมดีสะสมเยอะเคยภาวนา เวลามาภาวนาต่อก็ามาง่ายคนทํากรรมอย่างอื่นมาเช่นทําความฟุ้งซ่านมามากเนี่ยมาภาวนางก็ภาวนาลําบากจิตใจร่องลอยฟุ้งซ่านหรือบางคนมีอกุศลเยอะภาวนายากเวลาเราภาวนานะบาปอากุศลกระทั่งเล็กๆน้อยๆนะมันยังขวางเราได้เลย อย่างเรานั่งสมาธิไม่ถึงขั้นเดินปัญญ า, า, านั่งสมาธิพอจิตจะรวมนะที่คันยิบยับยิบๆไปทั้งตัวเลยเหมือนแมลงมาไต่เหมือน ม, ม, าา ม, อนมดมาไตา่มแมลงมาไตา่นี่เป็นเศษกรรมเล็กๆน้อยๆเช่นเคยเบียดเบียนสัตว์เล็กสัตว์น้อ ย, อ ย, อ ย, อยใครเคยเป็นหลวงพ่อเคยเป็นนะตอนเด็กๆตอนเด็กๆนะที่บ้าน ข้างบ้านมีต้นตะขบข้างข่านี่บินฉบไปชบมาเราเด็กเล็กเลยเราสนอเราเอาลวดสลิงเล็กๆไปแปรงแปงเลนมันเร็วมากสงสัยว่าจะตีมันทันไหมนี่ยคิดอย่างเด็กๆนะโง่ที่สุดเลยอยู่ๆแค่สงสัยว่าจะตีมันทันไหมตียังไงก็ไม่เคยถูกมันนะมันเร็วกว่าเราหลายเท่าอ่ะมีวันหนึ่งมันบินมาเห็นนันบินมาแต่ไกลเรารีบเหวี่ยงก่อน ไม่นึกว่าจะถูกนะห่างตั้งหลายเมตรเนะ่ยโผลงไปกลางหลังมันเลยมันลงไปที่พื้นนะทำปีกนี้นะนเจ็บมนะัน่ะแต่โอ้เห็นแล้วใจหายเนละยเอาลวดไปดตีถูกหลังมันสนไม่เข้าเรื่องไม่นึกว่าจะถูกนะกะให้ถูกเนะี่ยห่างไปตั้งหลายเมตรทุกทีเลย <c oughs> นี่เห็นมันอยู่ไกลๆครับหมุลนลวดอยู่ตรงนี้นะมัน บินเข้ามาโดนมันกระเพื่กับเพือกระพือะพ่อเนะี่ยสองสามทีนะก็ขึ้นไปบินหนีไปอีกเราเนี่ยใจหายเลยว่าไปทำสัตว์บาดเจ็บก็คงเจ็บแหละลืมไปละเรื่องนี้ตั้งแต่เล็กๆเลยเริืมไปบางไม่กล้าไปทำสัตว์หรอกกลัวสงสารมันมานั่งภาวนานะมีวันหนึ่งนั่งภาวนา จิตรวมดีเลยล่ะสงบสบายอยู่ๆนะั้นได้ยินเสียงดังควับเหมือนคนเอาแส้หวดหลังนะหัวใจนี่สั่นเล็ก ๆ, ๆเลยนะเจ็บจริงๆเลยนะเหมือนเปียบเลยเหมือนถูกตีจริงๆพองพอมันเสียงกวับมัรู้สึกถูกแส้หวดหลังแนละเห็นภาพข้างเขาตัวนี้ตั้งหลายสิปีนะลืมไปนานแนละ้ว เห็นข้างขาวขยับปีกอยู่ที่พื้นกำเล็กกำน้อยก็ไม่ยกเว้นนะไ ม, ไม่ไม่ยกเว้นให้เวลาเราภาวนานะมันจะกวนเรงั้นก่อนจะภาวนาเนี่ยส่วนมากเขาจะไหว้พระสวดมนต์อะไรเนี่ยนะอธิษฐานว่าเราจะภาวนาลนะจะได้สร้างบุญสร้างกุศลอะไร ตั้งใจคิดถึงพระสวดมนต์นั่งสมาธิไปครูบาอาจารย์ชอบพาสวดมนต์ก่อนสวดมนต์แล้วค่อยนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิเสร็จแล้วท่านจะพาแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญสองอันนะแผ่เมตตานี่อันหนึ่งแผ่ส่วนบุญนี่อันหนึ่งแผ่เมตตานี่คือแผ่ความรู้สึกเป็นมิตรออกไป แผ่ส่วนบุญก็คิดถึงบุญที่เราทำแล้วนะขอให้สัตว์ทั้งหลายได้รับผลบุญด้วยยิ่งใครภาวนาเขาเชื่อกัอนนะในตำราไม่มีพวกภาวนาถึงชาติท้ายๆเนี่ยเจ้านี้รีบ่วง <c oughs> จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เ <c oughs> งินกรรมชั่วเล็กๆน้อยๆ น, นะออนกนอ็อย่าไปทำมันหมดตัวเล็กตัวน้อยอย่าไปทำมัน หลวงพ่อเคยมีเพื่อนคนหนึ่งพ่อเขาชอบสีซอนะกินเหล้าลก็สีซอสมัยหนุ่มๆใจกว้างที่บ้านเลี้ยงไก่ไว้เยอะเลยตกเย็นนะเรียกเพื่อนมาซ้อมดนตรีกันให้ลูกน้องเชือดไก่วัละตัวว่ละตั ว, ว, ตวนะเชือดทุกวันเลยแล้วมีนิสัยแปลกอย่างนะเจอมดจะต้องบี้แต่มดตัวเดียวไม่บี้ถ้ามดเข้าแถวนะ บีเยอะเยอะตะตอนแกเจ็บหนักนะไปเยี่ยมแกไปอยู่โรงพยาบาลโวยวายใหญ่เลยว่ามดเข้าแถวมาเยอะเลยแล้วใครๆก็ดูเห็นจะมีมดเลยลกูกก็ยอมบอกว่าพ่อชอบเจอมดเข้าแถวแล้วชอบบีมดตัวเดียวไม่เอาเสียเวลาไม่คุ้มค่า ครูบาอาจารย์บอกเวลาจะตายนะแกก็นิมิตถึงไก่นิมิตถึงไก่ครูบาอาจารย์ท่านก็ช่วยแผ่เมตตาให้อะไรให้ก็ได้เลื่อนจากสัตว์เดรชา่เป็นอสุรกายสัตว์เดรชานีไม่ ด, ไมดีนะมันไปด้วยโมหะถือว่าเตะตำวันหนึ่งลูกก็ทำบุญ มิมนครูบาอาจารย์ทางอีสานไปที่บ้านทำบุญครูบาอาจารย์ก็พักที่บ้านเขาทำบุเสร็จแล้วกลางคืนนั้นก็พาลูกของแกสวดมนต์ไปด้วยคนในบ้านก็นั่งสวดมนต์เราก็บอกพ่อพ่อตายให้พ่อมารับส่วนบุญนะวันนี้ทาบุญมิมนครูบาอาจารย์มาบอกเหม็นเน่ามาเลย เหม็นเน่าไปทั้งบ้านเลยแกเลยตกใจเลยบอกพ่อไม่ต้องมา <laughs> เดี๋ยวจะส่งไปให้ <laughs> <laughs> พอเช้าโดนครูบาจจอาจารย์ด่ามาไปเลียกเข า, าทำไม <laughs> ทำบุญแล้วก็ขออุทิศ ส, ส่วนบุญให้ใครก็ว่าไปสิทำไมต้องบอกว่าให้มารับส่วนบุญ <laughs> <laughs> มันมาจริงๆอะ <laughs> เรื่องบาปเรื่องบุญนะ พิสูจน์ยากเรื่องของกรรมพิสูจน์ยากเป็นพระปัญญาของพระพุทธเจ้านะถึงจะรู้ได้ชัดเจนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเจอเนีเป็นผลของกรรมตัวไหนตัวไหนถ้าคนอื่นไม่ใช่พระพุทธเจ้าแค่อนุลมอนุมานอนุมานเอาไม่รู้ชัดไม่รู้1้อเอน แล้วกฎของกรรมก็ไม่ใช่ว่าเราไปตีหัวเขาจะถูกเขาตีหัวไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนเดิมเนี่ยมาตีหัวเรานะอย่างนั้นเราไปตีหัวคนไม่ใช่ว่าต้องเวียนไหวตายเกิดมาเจอกันอีกแล้วคนนี้มากลับมาตีเราไม่จาเป็นเลยเนะจ้ากรรมในเวรมันไม่ได้หน้าตาแบบอย่างนั้นหรอกคือกรรมที่เราสะสมไว้ในระวังขจิตของเราเองถึงคราวมันจะให้ผลให้ผลออกมา อาจจะคนอื่นเขาหมันไส้เขาเตียวได้ไม่จำเป็นต้องคนเก่าเวียนมาเจอกันหรอกงนั้นจริงๆตัวเจ้ากรรมในเวรของชาวพุทธแท้ๆมันไม่จำเป็นต้องตัวเดิมหรอกอะไรเป็นเจ้ากรรมในเวรตัวจริงของเราชนกกรรมชนะ ก, กรรมคนไทยชอบเรียกชนกกรรมกรรมที่พาให้เรามาเกิดคือตัวเจ้ากรรมในเวรตัวจริง เพราะมันเป็นผลรวมแล้วเป็นผลรวมรวมยอดของค่าบวกค่าลบทั้งหมดเลยว่าตอนนี้ตัวนี้จะให้ผลแล้วนะแกอย่าหนีเลยนะแต่เวลาที่กรรมให้ผลมาเนี่ยหน้าที่ของชาวพุทธไม่ใช่ยอมจำนนนะทฤษฎีกรรมเก่าเนี่ยไม่ใช่พระพุทธศาสนาหรอกเวลากรรมเก่าให้ผลมานะเราต้องดิ้นรนต่อสู้เอานะ ยังเคยทากรรมไม่ดีมาเกิดมาชาตินี้ยากจนยอมรับสภาพที่ยากจนจนไปเถอะอยากชาติก่อนไม่ทําบุญมาถ้าทําบุญมาเดี๋ยวมันรวยเองหรอกนี่คิดโงนะ่เกิดมายากจนก็ทํากรรมใหม่ในปัจจุบั น, นขนกวายเข้าวทำอาหากินเข้าวกรรมไม่ใช่มันทํางานซื่อๆเซ่อเซ่อ กรรมจะทำงานได้ดีหรือทำงานได้ไม่ดีมีเงื่อนไขทั้งหลายตัวนะอย่างเราเกิดมาจนเราเกิดความข้นขวายต่อสู้ดินน้นรนทำมาหากินรู้จักอด อ, อมรู้จักเลือกคบคนที่ดีคบคนไม่ดีตั้งตัวยากเราทำกรรมดีตามที่พระพุทธเจ้าสอนคาถาที่ทำให้รวยมีอุทธธานาสัมปทาขยันหาทรัพย์อย่ามัวรีรอ ทำงานสุจริตอารักสัมปทาได้เงินมาแล้วรู้จักรักษา ไ, ไมไ่ใช่ได้เท่านี้นะก็รูดบัตรเครดิตล่วงหน้าไปเยอะๆก็คงไม่ไหวกายานามิตตารู้จั ก, จกคบคนคบคนไม่ดีก็ชิบหายง่ายง่ายๆเลยเช่นมันชอบเปลี่ยนมือถือบ่อยแนละ้วมันอวดเราทุกวันเลยเดี๋ยวเราอยากเปลี่ยนบ้างละเนี่ยคบพวกโลภมาก ไม่ต้องคบพวกติดยาติดอะไรกันนะเนี๋ยวพากันติดพากันไหยณนะอันสุดท้ายชื่อสมชีวิตาเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่อัตภาพมีไรายได้เท่านี้เลี้ยงชีวิตขนาดนี้พอเหมาะพอควรทำได้อย่างนี้ก็ไม่จนคาถาแก้จ น, น, นเกิดมาจนแล้วก็ทำคาถาแก้จนของพระพุทธเจ้าเห็นทำกรรม กรรมใหม่สี่ประการที่พระพุทธเจ้าสอนก็ไม่จนเหมือนเดิมได้เปลี่ยนได้นะไม่ได้เปลี่ยนโดยจนเพราะว่าทำไงดีละ่ะเจ้ากรรมนายเวรคนไหนว่าทำให้จนใส่บาทใส่บาตอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวนที่ทำให้เราจนตัวขี้เกียจเองอะ่ะตัวไม่เอาไหนเองไม่ขยันทำมาหากินตัวไม่รู้จักครบคนเอง ใครเป็นเจ้ากรรมในเวรของตัวก็ตัวเองอะส่วนไอ้ที่เราทําบาปทํากรรมกระทบกระทั่งอะไรนะข อ, อโหดสิไปขนะอโหดสิไปมันไม่ใช่ไอ้ตัวเก่ามันตองมาเล่นเราหรอกข อ, อโหดสิกรรมเกินไปนะแผ่ส่วนบุญคนบางทีชอบมาถามหลวงพ่อนะว่าญาติญาติตายไป ทำบุญให้ได้รับไหมใครจะไปรู้ตอนเป็นๆอยู่เอาข้าวไปให้กินกินหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยเราก็ตับได้ในหลักการญาติที่ตายไปทําบุญให้ถ้าเข้าไปเกิดในภพภูมิที่เขารับส่วนบุญได้เขาก็รับส่วนบุญถ้าเขาไม่เกิดในภพภูมิที่รับส่วนบุญได้เขาก็ไม่รับไม่ใช่ทุกคนรับส่วนบุญนะ มีเปรตบางชนิดท่านะที่รับส่วนบุญแต่สมมติพ่อแม่เราไปเป็นเทวดาเราทําบุญอุทิศให้เขาจะได้บุญไหมเขาไม่ได้บุญเพราะการอุทิศของเรานะแต่ถ้าเขารู้ว่าเราทําบุญเขาอนุโมทนาบุญเกิดจากการอนุโมทนาของเขาเองไม่ใช่บุญเกิดจากเราให้นะสมมติพ่อแม่เราไปเป็นหมา เราทำบุญใส่มันเห็นอยู่ต่อหน้าเลยแล้วเกิดมาอยู่ในบ้านเราเราใส่บาตรให้ปรวดน้ําขออุทิศให้พ่อให้แม่กพแม่เป็นหมามันู้เรื่องหรอกไม่อนุโมทนาไม่อนุโมทนาไม่ได้เรื่องไม่ได้บุญหรอกเรื่องพวกนี้ก็รู้ไว้บ้างนะเราจะมีชีวิตแบบชาวพุทธที่งมงายมากไป ชนกกรรมของเราตัวจริงคืตัวเราแล้วแหละทำเอาเองอะ่ะจะทำมาเองก็ต้องมาเจอเอาเองงั้นเราไปไม่ทาชั่วทําความดีให้มากๆทําความดีแล้วก็ใจกว้างๆด้วยบางคนทําดีเฉพาะตัวแตใจแคบมีคนหลายประเภทนะบางคนทําความดีเฉพาะตัวไม่บอกใครนะเงียบๆกลัวเขาดีด้วย ลึกตัวเขดีกว่าบางคนจะทําความดีนะชักชวนเพื่อนฝูงมาช่วยกันทํามีเพื่อนมาช่วยกันทํานิสัยก็ไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันก็มีผลที่ต่างกันทําดีเฉพาะตัวก็ดีอยู่คนเดียวนะเงียบเหงาว้าเวไม่มีพวกทําดีแล้วก็ชวนคนดีๆมาช่วยกันทําความดีมีพวกพ้อง พระสารีบุห้เคยสอนไว้บอกบางคนทำความดีเฉพาะตัวนะทำทานทำอะไรเงี้ยเฉพาะตัวได้ผลของทานได้ผลเช่นร่ารวยแต่ไม่มีบริวารบริวารไม่ใช่แปลว่าลูกน้องนะบริวารหมายถึงคนที่แวดล้อมเราอยู่ตั้งแต่พ่อแม่เราก็เป็นบริวาร น, นะคนไทยเดี๋ยวนี้ก็เอาพ่อแม่เป็นบริวารแต่เป็นบริวารแบบภาษาไทย <laughs> ใช้งานไปเรื่อยนะใช้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเดี๋ยวนี้ลูกหลานก็ไม่ให้เลี้ยงและสองขวบขวบหนึ่งเลยไปเข้าโรงเรียนนะ้เคยมีนะเคยได้ยินเอาเด็กไปเข้าโรงเรียนนะเด็กตัววัญชะครูเขาบอกเลี้ยงดีเลี้ยงง่าย <laughs> กลับมาบ้านกลางคืนนะั้นมันไม่นอนเลยแค่ ไปถึงโรงเรียนนะเราก็เอาอะไรยัดใส่ปากมันป้อนป้อ น, อ น, อนเอายา น, นอนหลับให้มันกินมันก็นอนตัวกลมอยู่กลางคืนมันไม่นอนแล้วให้เราใครทาทำดีๆไปได้นะนี่ถ้าทําดีเฉพาะตัวได้ผลดีเฉพาะตัวไม่มีเพื่อนทําดีแล้วชวนกันทําดีเช่นชวนกันมาวัด ชวนกันมาฟังธรรมชวนกันไปชวนกันมารู้สึกไม่เป็นพวกกันเป็นเพื่อนกันนี่เรียกมีบริวารต่างคนต่างเป็นบริวารซึ่งกันและกันดูแลช่วยเหลือกันได้งั้นเราทำกรรมอะไรไว้เราก็ได้ผลอย่างนั้นแหละกระทั่งกรรมโลกโลกก็ได้ผลอย่างโลกโลกทำทานก็ได้ผลของทานรักษาศีลก็ได้ผลของศีลทาสมาธิก็ได้ผลของสมาธิ ผลของทานผลของศีลผลของการทำสมาธิทําให้เราได้เกิดในโลกที่ดีอย่างเรารู้จักคบคนดีๆใช่ไหมชวนกันไปทําความดีแต่เดิมเราเป็นคนไม่เอาไหนเลยเราเกิดใหม่ละเราเกิดใหม่ในภพที่ดีเรามีเพื่อนที่ดีคบกันมาคบพวกไปวัดด้วยกันนานๆเบื่อนะี่คบพวกกินเหล้าบ้างดีกว่าเ อ, อเราก็เปลี่ยนภพนะเราเปลี่ยนพพไม่ต้องรอตายหรอก ก็ <c oughs> เปลียนพบนั่นแหละกลายเป็นพบขี้เมาแต่ขี้เมาบางคนนี่ใส่ดีนะไม่ใช่ขี้เมาแล้วเลวหมดหรอกขี้เมาบางคนก็ใจดีพอเมาได้ที่นะแจกสตัง <c oughs> <c oughs> <c oughs> เคยเจอไหม <c oughs> แจกสตังบางคนก็ขี้เมาเมาได้ที่นั่งร้องไห้อนเนตอนาตไม่ว่าจะเมาเมาแบบไหน <c oughs> หน้าอนาตทางนั้นนะ่ะ งั้นเราทํากรรมอะไรไว้เราจะได้ผลอย่างนั้นแหละสมควรกับกรรมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ให้ยอมจํานวนกับกรรมวิบากทั้งหลายนะทั้งบุญทั้งบาปเนะี่ยส่งผลให้เราได้ขันห้าอันนี้ม า, าการที่พวกเราได้มีขันแบบมนุษย์เนี่ยวิบากที่เป็นกุศลส่งผลมาให้เราได้ขันที่เป็นมนุษย์ละวิบากที่ส่งให้เป็นมนุษย์นี่มันรุนแรง เป็นชนกกรรมให้เราได้เกิดเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์มันก็มีขอบเขตของความเป็นมนุษย์ใช่ไหมธาตุขันมนุษย์เนี่ยด้วยกรรมชนิดนี้มันอยู่ได้นานแค่เนี้ยธาตุขันมนุษย์นี่ต้องเจ็บต้องป่วยต้องแก่ต้องตายในเวลาไม่นาน70กว่าปีส่วนมากเจ็ดสิกว่าปีก็ตายแล้วฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยนะของเราในยุคนี้นะอายุกับหนึ่งอายุกับ กับมีหลายกลับนะอายุกับหตอนนี้75็ดสิบาปีตามคำพีศา ส, สนาพุทธอายุเฉลี่ยของคนยุคนี้75ปีที่พระพุทธเจ้าเคยบอกพระนนท์ว่าถ้าอารัธนาแล้วท่านจะอยู่ได้กับ1 ห, หรือเกินกับ1นึกับ1สมัยพุทธกาลนี่ร100ปีถ้าพระานนท์นิมนต์นะท่านก็อยู่ยได้ร้อปีไม่ใช่อยู่มาหากลับหนึ่งนะ อยู่มหากรรมหนึ่งอยู่ไม่ได้พระศรีอานท่านรอชิวอยู่บอกเมื่อไหร่ท่านจะไปสักทีผมรออยู่นานแล้วจนะนสิ้นกับผมไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะแสดงว่าพระพุทธเจ้าก่อนนู่นพยากรณ์ไว้ผิดลนะพระศยานไม่ได้ตดรัสรู้สักทีไม่ใช่กับอย่างนั้นนะหลวงพ่อตอนเด็กๆเกนี่ยโมโหพระอานนท์มากเลยน่าจะรัตนานะท่านจะได้อยู่มาถึงวันนี้อยู่ไม่ถึงหรอกอยู่ได้อย่างมากไม่เกินสองกับ สังกัดสมัยนั้น200ปีแค่นั้นแหละอย่างมากนะของเราคนรุ่นเราก็ประมาณ150ปีก็จะอยู่ไม่เกินนั้นประมาณนั้นเราทำกรรมอะไรไว้เราจะได้อย่างนั้นนะทำกรรมที่อายุยืนก็จะอายุยืนมันส่งผลมาให้เราได้ขันอย่างนี้เมื่อเราได้ขันอย่างนี้มาแล้วนะไม่ใช่ยอมจำนวนนะกรรมมันให้ผลในสองสเต็ป กรรมให้ผลสเต็ปแรกเป็นกรรมที่แรงให้ผลด้วยการพาเราเกิดกรรมที่สองที่อ่อนลงมาหน่อยนยีจะให้ผลหลังการเกิดหลังการเกิดเช่นบางคนเกิดมาทำกรรมดีได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่หลังการเกิดนะวิบากที่ไม่ดีเคยทำเกิดอุบัติเหตุแขนขาขาดไปไม่ครบแล้วแหวงแหวงไปแล้ว หรือทำกรรมดีได้เป็นมนุษย์เสร็จแล้วกรรมชั่วให้ผลภายหลังการเกิดนะชีโรคหรือยากจนอย่างเงี้ยหรือถูกด่าตลอดไปไหนคนด่าตลอดคือแล้วแต่ถ้ากรรมจะให้ผลนะให้ผลโดยการเกิดเนี่ยช่วงหนึ่งให้ผลหลังการเกิดนี่อีกอันหนึง่งกรรมที่ให้ผลไปเกิดเนี่ยเป็นกรรมที่แรง หลังแานั้นเป็นกรรมที่ตามมาทยอยมาเพานั้นถึงเกิดมาเป็นคนเหมือนกันแต่ก็สิ่งที่พบที่เห็นไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันอันนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้นะเราไม่มียานทัศนะที่จะรู้หรอกว่าที่พวกเรามานั่งตาแป๋วแปลอยู่ตอนนีนะ้กรรมตัวไหนส่งให้มาเป็นมนุษย์กรรมตัวไหนส่งให้มาฟังธรรมมาฟังธรรมก็มีกรรมส่งมาฟังนะ คนมันไม่มีบุญเลยมันไม่ฟังหรอกคนฟังธรรมะเนี่ยวันหนึ่งสอง300สคนฟังอาธรรมวันหนึ่งเท่าไหร่เยอะแยะเลยมีนิดเดียวนะงั้นถ้าดูลักษณะนี้นะพวกเราไม่ธรรมดาต้องทำกรรมดีไม่ใช่น้อยเหมือนกันกรรมดีแรกเราได้เกิดเป็นมนุษย์นะ แถมได้เกิดมาในยุคที่พระพุทธศาสนายัางดำรงอยูนะ่เราต้องมีกรรมดีมีอุปนิสัยที่ดีเรามีศรัทธาเราอยากฟังทรรมถ้าบารมีมากกว่านั้นต้องอยากปฏิบัติด้วยนะถ้าบารมีกระพร่องกระแพร่งก็ปฏิบัติบ้างไม่ปฏิบัติบ้าง ต, <c oughs> ต้องทำกรรมใหม่ให้เข้มแข็งไว้นะตั้งใจให้มั่นคงทุกวันต้องภาวน า, นะาตั้งใจอ ย, อย่างนี้แล้วภาวนาเรื่อยไป ถึงชาติก่อนจะสะสมนิสัยขี้เกียจขี้คล้านมาชาตินี้ตั้งใจเด็ดเดี่ยวภาวนาขี้เกียจก็ภาวนาขยันก็ภาวนาเนี่ยมันทํากรรมใหม่นะไม่ใช่เกิดมาขี้เกียจภาวนาแล้วมันต้องขี้เกียจตลอดไปชาติต่อไปมันก็ขี้เกียจอีกอถ้ามันไม่ยอมพัฒนาขึ้นมาฉะนนพวกเราไม่ยอมจํานวน ก, กรรมมีบากส่งผลให้เราได้รับปัจจุบันเนี้ย เราใช้สติปัญญาในปัจจุบันนี้เพื่อสร้างสิ่งที่ดีขึ้นไปอีกสิ่งที่ดีนั้นอยู่ในอนาคตแต่อนาคตนั้นอาจจะใกล้นิดเดียวอาจจะเจดวันข้างหน้าก็ได้เจดเดือนเจปีข้างหน้านี้ก็ได้หรืออีกเจดชาติข้างหน้าก็ได้แล้วแต่ความเข้มข้นของเราเองทํากรรมดีเข้มข้นนะผลมันก็เข้มข้นเหมือนอย่างภาวนานานๆจนมารู้ตัวที วันๆหลงตลอดเลยเวลาทำไม่ได้ทำดีอย่างเดียวทำชั่วด้วยกําชั่วมันแรงกรรดีไม่ค่อยมีโอกาสให้ผลเลยก็นะต้องสะสมมากๆทำความดีเยอะๆมีทานมีศีลมีภาวนาภาวนามีสองงานทำความสงบกับเจริญปัญญาทำความสงบจิตนีสมถกรรมฐาน จเจเลนปัญญาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานเป็นชาวพุทธไม่รู้ว่าสมถะเป็นยังไงวิปัสสนาเป็นไงไม่เอาไหนเลยไม่เอาไหนเลยเพราะว่าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นหัวใจในคําสอนเลยเป็นคําสอนเฉพาะที่มีในพระพุทธศาสนาส่วนสมถะกรรมฐานในศาสนาอื่นก็มีอย่างชาวคริสต์เขาไปเล่นออแกนร้องเพลง จิตใจอยู่กับพระเจ้าเขารักเพื่อนมนุษย์รักเพื่อนบ้านมีความรักคนอื่นรักตัวนี้เรียกว่ารักเป็นงั้นแหะจริงคือเมตตาแล้วบอกให้รักคนมากๆเนี่พวกเจ้าเล่ยมันราคะมากนะมันบอกมันรักคนนู้นรักคนนี้เนี่ยตามที่พระเยซูสอนไม่ใช่นะรักนั้นเป็นรักของเมตตาไม่ใช่รักแบบราคะเนี่ยนักปราชญาเขาก็สอนกันได้นะสอน เมตตาคนอื่นจิตใจสงบสุขไหมสงบสุขคิดถึงพระเจ้าไม่ฟุ้งซ่านไปอย่างอื่นพระเจ้าสอนดีๆพระเจ้าไม่สอนร้ายๆชอสอนเรื่องดีๆสอนไม่ให้เห็นแก่ตัวสอนให้อภัยสอนอะไรเนี่ยคนให้อภัยจิตใจสงบไหมคนไม่เห็นแก่ตัวจิตใจสงบไหมไหมสมาทากรรมฐานนะคนอื่นเขาก็มีนะหลวงพ่อนะย่องย่องมุสลิมมากเลย มุสลิมเขาละหมาดวันหนึ่งห้าครั้งคิดถึงพระเจ้าห้ารอบนะอย่างน้อยๆดีจังเลยชาวพุทธเราหลหยถ้วยว่าพระวันละรอบอยังไม่ค่อยจะได้เลยนะการที่เขาคิดถึงพระเจ้านั่นคือการทำสมาธินั่นเองจิตนะใจสงบมีความสุขอิสลามแปลว่าอะไรสันติสันตินะั้นแต่สันติคนละแบบกับเรา นิพพานเนี่ยแปลว่าสันติเหมือนกันแต่มารควิธีไม่เหมือนกันเขาก็ดีอย่างของเขานะดีเหมาะกับสังคมแบบหนึง่งของเราชาวพุทธเราก็มีหลักธรรมของเราอีกแบบหนึง่งนะไม่ก้าวไก่กันดีที่สุดงั้นเรามาหัดให้รู้จักมีปัศนากรรมฐานหลวงพ่อสอนทุกวันอะ มีสติรู้รูปรู้นามตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์จะมีสติรู้รูปนามแล้วเห็นความจริงคือเห็นรูปนามขันห้าร่างกายจิตใจเป็นไตรลักษณ์ได้ต้องเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่ตั้งมั่นนนจิตมีรักหนูปณิชฌานมีรักหนูปณิชฌานแล้วก็เป็นกลางไม่ใช่ตั้งมั่นจริงแต่อะไรมาเนะีเข้าไปแทรกแซงตลอด ความสุขมาก็แทรกแซงอยากให้อยู่นานๆความทุกมาก็แทรกแซงอยากให้หายไปอย่างนี้ไม่เป็นกลางใจมันจะดิ้นรนปรุงแต่งต่อไปอีกให้เรามีสติรู้กายรู้ใจของตัวเองนะอย่าไปดูของคนอื่นเขาดูของคนอื่นกิเลสเกิดดูกายดูใจของตัวเองไปเห็นเลยมันมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของเป็นทุกข์มีแต่ของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเรา ดูแล้วดูอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกดูเรื่อยไปถ้าดูได้อย่างนี้ก็ไม่ยากนะเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจความจริงขันห้านี้ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าล้างความเห็นผิดได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะทําไปเพื่อล้างความเห็นผิดศา ส, สนาพุทธนะท่านสอนเลยท่านไม่เห็นอะไรมีโทษมากเท่ามิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดวิปัสสนากรรมฐานนี่แหละตัวล้างความเห็นผิด ล้งสิ่งที่มีโทษที่สุดเลยราคาโทสะอื่นๆนะพระพุทธเจ้ายังไม่ยกย่องนะแต่ความเห็นผิดนี่ท่านยกย่องเลยท่านไม่เห็นมีอะไรที่จะมีโทษมีภัยมากเท่าความเห็นผิดเลยพอเห็นผิดสักอย่างเดียวมันก็คิดผิดผิดเห็นไหมมันก็ทำผิดผิดมก็พูดผิดผิดเมื่อผิดไปหมดแล้วก็ได้รับผลของความชั่วขึ้นมารู้ถูกเข้าใจถูกนะทำให้ปัสตนากรรมฐาน เห็นความจริงตัวเราไม่มีไม่ใช่แค่ละความเห็นแก่ตัวนะคนอื่นเขาสอนให้ละความเห็นแก่ตัวชาวพุทธเราเลยไปถึงขั้นไม่มีตัวจะให้ละคนละขั้นกันนะธรรมะไม่เหมือนกันหรอกบางทีเราพูดมักง่ายาศาสนาไหนก็ดีเหมือนกัน่ท่านเจ้าขุณประยุทธ์ท่านบอกใช้คําผิดาศาสนาไหนก็ดีเหมือนกันไม่ได้เพราะไม่เหมือนกันซักศาสนาเขาก็ดีเราก็ดีวัดกันไม่ได้หรอก ต้องใช้คาว่ า, าศาสนาไหนก็ดีด้วยกันทท่านั้นแหละดีด้วยกันต่างคนต่างดีนะไม่ใช่ดีเหมือนกันดีเหมือนกันไม่ได้เรอกทงนั้นพระเจ้าเจ้าตรัสสรู้ทำไมเหมือนคนอื่นเงนั้นเราต้องเลียนเรื่องวิปัสสนากรรมฐานนะหลวงพ่อเทศทุกวันแหละไปฟังซีดียวเองไปอ่านเอาก็ลกันนะหมดเวลาแล้วเชิญไปทานข้าวนิมนต์ท่านอาจารย์ครับ